กับความรักเราสิ่งดีนี้ในวันเก่ารักเราฉันรู้สึกยังไงก็ช่างดีว่ายังรัก กันเสมอดูซิดูเธอแกลงทําเป็นธือข่าวของมุญว่ายามเดินด้วยกันก็เดินห้างชัดเมือนไม่อากไกล บอกหากคิดว่าเราไม่ใช่ที่เธอต้องการออกมา เมื่อพร้อมจะไปพร้อมจะไป ผมกับครับเดินทางมาสุดถนนเงินเรา 2 คนคงต้องเลิกกันเพราะคําตอบ ที่หัว